50 languages. 21. i r b a t t o n การสนทนาสองบรายอดอลยคุณมาจากไหนคะคุณกันยิม r v ร g a m กัมเบียนเดมาจากบาเซลค่ะ บาซิลปาเซลอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์บาซิลสวิสเซอร์แลนด์เอลีร์ขึ้นระดัดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะนอนอุนักมิสเตอร์มิลเลรอร์ไดอริมุัมเซยวิริมบริกรนเขาเป็นคนต่างชาติอเวอร์อล์ดนอตเเวอร์ เขาพูดได้หลายภาษาอาเป็นิี่เลยมันดกันเพืบเวร์คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะนิีกไงอิงกุวริบดรณมุดลตระระยอไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะยินเลยน้องโฟนอ่ริษัมอิงกุวันดิรุนเดน แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะอออาานลโรโรรรว์คุณชอบที่นี่ไหมคะอุงกระดักอินดะยีดัมปิดิตริกิรดาคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะมีกะบุ้มอิงกุมนิดอรค์คือนัลละวรากัล้หายีริกิราร์กือ และดีฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะยังกู๋ในยี่รู้เกี่ยวกับชิมปิดติริกิรัติคุณทำงานอะไรคะวงกันนูเรเกตอริเลนนดีฉันเป็นนักแปลนน์บัวร์มูริเปย์ร์ปลดดีันแปลหนังสือนน พุทธหังกะเลยโเพย์ดิเรคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะนิงกะยิ่งตันิยาห์้ยิ่งกิรศละไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะยิ่ลยยิ่งนวิยมคาวนุมยิ่งยิ่งกิราและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน மற்றும் அதோ அங்கே என் இரு க ு ழ ந ் த ை க ள ு ம ் இருக்கிறார்கள்